เพนะราะนั่นเราจึงนำอันนี้่าพูดให้รู้ความความที่ว่าควรหรือไม่ควรนะวเราบางจะัวดํานานวาสนาของเราการดําเนินทุกสิ่ทุกอย่างเรื่องของพระต้องมีเหตุมีผลทุกอย่างเหตุผลต้องไม่นองเหนือไปจากหลักธรรมเหล่าวิไนหลักธรรมอินหลักธรรมวินัยต้องเป็นศาสตาตลอดเวลานั่นถึงถูกในเรื่องที่เดชไม่เคยทําลายโลก ทรมานโลกเอาที้ผายหไายปวง ม, มามากต่อมากแล้วและนอกอย่างนั้นยังมาทำลายเรามากต่อมากแล้วเรานี่ปีนาจีจึงไม่ไม่พระพุทธเจ้าองค์โตองค์ใดก็ตามจึงไม่ยกกิเลสว่าเป็นศาสดราเอามาสอนเอากิเลสมาสอนโลกแทนธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละโปร่ปงโบนี่เมื่อไปอย่างนั้นเราเวลานี้เราถือศาสนาของผู้ใดก่ขอของพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือศาสตรถือกิเลสเป็นศาสดา แทนมันต้องได้คิดดีก่อเล่านี้เรื่องก้เลยนนมันจะต้องออกทุกอย่างออกรวดเร็วที่สุดเลยมันจะเป็นสัสด า, าออกหน้าออกตาอย่างไม่มีอะไรทันล่ะเห็นไหมวัดเราเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ผมสรุดสางเวยียนมากหรอนะ ที่ผมพูดมาพูดมาพูดมาหล่านั่นมันไปไหนมันมาสวมรอยสวมลอยเยียบหน้ผาผากเยียบหัวอกเข้ามารดยดับมนานแล้วเวลาางนี้ไม่มีอะไรเกินกิเลสแล้วสัตยดาไม่ได้เกินแล้วเวลาอย่นี้ในหัวใจของพระเนรเรามีกิเลสเท่านั้นเป็นสัตยดาในหัวใจ เป็นจะตายก็ตามถ้าในกิเลสเป็นศาสดราและเป็นที่พอใจไม่ได้มองดูหน้าไขทั้งนั้นแม่ที่สูดกูรูบาอาจารย์ที่เทศสอนมาแทบเป็นแทบตายซึ่งเราก็เคยได้พูดไปแล้ ว, ลวนี่มันจะซ้าหน่อยมันเป็นไปแล้วเวลานี้ทำไมจะไม่สลดสองเม็ดล่ะผ้าที่มาใหม่นี้ผมไม่ว่าจะจะรับก็ประกาศให้ออกก็ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ความแน่นกว่าแน่นความมันขวางมันก็ขวางจะทำยังไงถ้าเราเก่งจริงๆก็กอยู่ในวันนี้เหยียบหัวผ้าหัวเนียนเหยียบครู่วารจัเหยียบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันหล่เลยเพราะยังว่าเราเก่งนะเก่งชั้นที่ชั้นหนึ่งถ้าเก่งชั้นสองเก่งเกงชั้นสามกอไปอไมันไม่มีอะไรเหลือเพราะความเก่งของเรา เรื่องของกิเลสแล้วความดีเท่านี้มันก็ต้องเอามาอวดให้เหนือบรุษมาสัตย์สดาให้เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินไปนหมดนไะอสิ่งที่มันชิบหายดิมันใหญ่ยิ่งกว่บกูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกวบินฟ้าอากาศนั่นมันมันมองไม่เห็นนะมันจะเห็นตั้งแต่ที่ว่าดีว่าดีนั่นอนะ่ะเท่าเส้นผมฉะนั้นนะ่ะเอาเส้นผมเจ้านี่แหละมาเหยียบโลกเหยียบต้นชัน เยียบศาสนาเยียบพระเยียบเนียนเยียบครูบาอาจารย์เวลานี้รู้ไหมกิเลสมันเป็นยังไงตรงนี้ผมไม่อยากจะพูดอะมากเพราะผมสอนมามากกว่ามากแล้วสอนหมู่เพื่อนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วมันสู้ศาสตราองค์เอกคือกิเลสมันไม่ได้เขเคยพูดมารู้กี่ครั้งกี่หนแล้วมันจะต้องว่าจะของดีตลอดเวลา คนกิน่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะของต่ําเจะของชัว่วจะยอมรับความจริงไม่ยอมทั้ง น, นั้นเรื่องของกินเลแล้วตัดคอผู้ริเจ้าขาดลงไปแล้วเอายาสมมติว่ายาแดงนีย่ยาอะไรมาพอกทั้งนิดหนึ่งก็ประกาศลั่นทั้งนั้นหนึ่งว่ายาเรานี่พิเศษใส่คอผู้ริเจ้าได้ก็ ส่วนหาหาไม่ได้พูดนะใส่คอวุ้ยเจ้าก็ได้ใส่หัววุ้ยเจ้าก็ได้เนี่ยยาเรานี่นะส่วนจะถูกหรือไม่ถูกหายหรือไม่หายดีไม่ดีนั่นไม่พูดตรงนั้นเอาตรงได้เนี่มายกเป็นข้อวิเศษยาแดงเวลานี้เป็นนั้นเดี๋ยวนี้พระในวัดเนี่ยมีมากขนาดไหน มีผู้ใหญ่ผู้น้อยมันมีแต่ภาพหูหนวกตาบอดเป็นหมดทุกๆรูปทุกนามเลยพี่นาดิมันึงจะไม่รู้จักดีจากชั่ว ร, รู้จักอีจากถูกของการแสดงออกทั้งของตัวแล้วของผู้อื่นผู้ใหญก็าตาม ในทางว่าผิดหรือถูกประการใดเลยมีเรื่องที่เรามันเก่งกว่าโลกที่นีไปที่ไหนมันถึงขับโลกนะมันคับเรื่องหัวใจนี่กบบมันก็มองไม่เห็นมันคับอะไรอีกมันก็จะ ม, มองไม่เห็นเพราะไม่มองไม่สนใจจะมอง จะอะไรมาเห็นมีในตาพันดวงมันก็เมื่อไม่มองมันก็ไม่มีความหมายอะไรในพันดวงอยากให้ว่ามาพันหมื่นดวงมันก็เหมือนกันคเคยพูดแล้วพูดแล้วพูดแลอกตั้งแต่สมัยที่อยู่กับพ่อมแม่กุญแจามาผมเกลียบผมเขตผมหลับอยาให้ผมเจอหน้ผมเจอหน้าผมเคยพูดเสมออย่างนี้ยเหลียแล้วมันจะมันจะด้านเสมอ มันจะไม่ยอมฟังไม่ยอมสนใจคิดในเรื่องเหล่านี้ท่เทศเหล่านี้เพระาะงานยิเดือดจึงเป็นค่าสืบต่อธรรมเสมอมาแลวจะเสมอไปไม่มีคำใบ ย, ย่อย่อไม่มีคำคำไม่ยอมยอมรับเตรียมใครสวจ ส่วนผสมได้ฝึกได้ซ้อมกันหรือป่า